กราบบูชาพระรธานาธิไต่กราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียหลวงพ่อคําเขียนถวายความเคารพไปยังพระอาจารย์ไ พ, พ, พศาลหลวงพ่อกมครูบ า, าจารย์พันเตเพื่อนศาสตร์ธรรมิกเจริญพรมยังไมช่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านอ่ะก็นั่งเ็ดน้ำปกติเนะเมื่อคืนคงหลับสบายเนาะ <laughs> อาตอมายังคิดว่าเเช้านี้คงไม่ได้เทศนะนะเพราะว่าฝนมันตกหนักยังคุยกับพระจันรร์สุรินนะเออธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะนะเมื่อคืนเราหลับกันสบายเงียบสักตีสามโอโหเสียงพายุมาเลยนะเอออาตมาก็ว่าเอ็มเสียงอะไรนะมาอย่างกระหึมเลยนะอีกสักพักหนึ่งฝนตกหนักเลย แต่เราก็ไม่ได้ เ, เดือดร้อนอะไรเนาะเพราะว่าเรามีที่มุงที่บังอยู่ในกุฏิใช่ไหมสบายเลยเดินออกมาเราก็ <c oughs> มีล่มนะมีล่มกัน้นะก็ไม่เปียกอะไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะถ้าเรามีที่มุงที่บังมีที่กัน้นะเราก็ไม่เปียกฝน นะมันก็เปรียบเหมือนกับใจของเราเนี่ยนะใจของเราถ้ามันมีที่มุงที่บังที่ป้องกันนะอารมณ์ต่างๆจะเป็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ร้ายก็ตามนะมันก็จะเข้ามาไม่ถึงใจนะจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะมันก็เข้ามาไม่ไดนะ้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องป้องกันนะเราไม่มีเครื่องคุ้มครองนะตรงเนี้ <c oughs> เรียกว่า มันไม่มีอะไรที่จะป้องกันราะฉะนั้นเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นทางกายทางใจนะมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมานะความโกรธบ้างนะบางทีก็ไม่ถูกใจบ้างนะบางทีก็ถูกใจบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถ้าเราสังเกตนะเราสังเกตเรามี สติปัญญานะสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งภายในทั้งภายนอกนะมันก็จะทำให้เราเรู้จักนะการป้องกันไนะม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นโทษนะกับใจของเราไม่ใช่เฉพาะใจอย่างเดียวนะแม้แต่ร่างกายก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาใครค์ครวรก่อนที่จะนำสิ่งต่างๆ เ, นะเข้ามาในร่างกายของเรา นะอย่างเช่นอาหารเรารู้ว่าอาหารนี้สแสลงนะสแสดงต่อโรคนะเราก็ไม่นําเข้ามานะเราก็พิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะนี่ก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นนะสามารถที่จะได้รับประโยชน์นะจากอาหารได้เพราะ น, นั้นจริงๆเนี่ยนะอาหารเนี่ยนะมันไม่ใช่มีเฉพาะอาหารทางกายอย่างเดียวนะมันมีอาหารทางใจด้วย อาหารทางใจเนี่ยนะมันมีทั้งสามอย่างนะคนเราเนี่ยมีอาหารทางกายอย่างเดียวนะก็คืออาหารคือคำข้าวเนี่ยนะซึ่งเรารู้จักกันดีนะแล้วเราก็ารับประทานอยู่ทุกวันแต่มันมีอาหารทางใจเนี่ยที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือบางทีเราไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้ความสำคัญกับมันนะมีทั้งสามอย่างนี่อาหารอันแรกเนี่ย ก็คือการที่เราสัมผัสหรือกระทบนะก็เรียกว่าผัสสะนะอย่างเช่นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะเป็นสิ่งที่มากระทบนะเมื่อกระทบแล้วนะมันก็ทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นมานะเกิดการาปรุงแต่งขึ้นมานะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกใจนะเราก็ยินดีพอใจมีความสุขนะอย่างเมื่อวานเนี่ย นะมีหมอกลงที่วัดป่าสุกโตหลายคนก็โอ้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะหลายคนก็ส่งไปใน f a c e b o o นะคนก็เข้ามาชื่นชมนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะที่เราได้สัมผัสนะเป็นความสุขนะที่ได้จากการสัมผัสนะเป็นอาหารทางใจชนิดหนึ่งเหมือนกันนะตรงมันข้ามนะมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบ ทางตาก็ดีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะและเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะเป็นสิ่งที่เร า, เาไม่พอใจนะันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาหารที่มันไม่มีตัวมีตนนะเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงนะให้จิตใจของเราเนี่ยนะเป็นปกติหรือไม่ปกติได้นะเรียกว่ามีสุขมีทุกข์นะหรือว่า เฉยๆนะนี่เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะอีกชนิดหนึ่งก็คืออาหารชนิดที่2ทางใจนะเขาเรียกว่าความาจงใจหรือการตั้งใจนะที่จะกระทำสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางกายก็ดีทางคำพูดก็ดีหรือแม้แต่ทางใจก็ดีนะถ้าเรามีเจตนามีใจที่ตั้งมั่นลงไปนะที่เราเรียกว่ากรรมนั่นเอง นะทางกายก็เรียกกายกรรมนะทางวาจาก็เรียกวจีกรรมนะและก็ทางใจก็เรียกมโนกรรมอันนี้ก็เป็นอาหารนะอาหารที่ทำให้เราเนี่ยนะมีชีวิตนะมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะซึ่งกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดนะีมันก็มีทั้งสองด้านนะก็คือ ถ้าเราทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะก็เ <Right. S 2> รียกว่ากุศลกรรมนะแต่ถ้าเราทำไปโดยไม่รู้ตัวด้วยความหลงลืมตัวทำไปตามความเคยชินนะซึ่งอาจจะนำความเดือดร้อนหมายกับตัวเราเองหรืออาจจะนำความเดือดร้อนหมายกับคนอื่นนะอย่างเี้ยก็เป็นอกุศลกรรมนะเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจนะมีความ ตั้งใจที่จะทําทมีความจงใจที่จะทำนะก็เป็นกรรมขึ้นมานะแต่ถ้าทําด้วยสติด้วยปัญญานะด้วยสิ่งที่เรารู้เท่ารู้ถันนะนี้มันก็เป็นการกระทำนะไปในลักษณะที่เป็นความพเหมาะพอดีนะไม่ได้มุ่งหวังนะที่จะทําให้เกิดความเสียหายอะไรนะนี้ก็เป็นลักษณะของการที่อยู่เหนือกรรมได้เหมือนกันนะ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาหารชนิดที่สองนาะที่ให้กับใจของเราชนิดที่สก็คือความรู้นาะความรู้แจ้งในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนาะเขาเรียกว่าวิญญาณนาะหรือถ้าเราพัฒนาก็า จ, จะเป็นญาณปัญญาขึ้นมาก็ได้นาะการที่เรามาเจริญสติมาฝึกฝนนาะให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งภายในภายนอกนะ ที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะอย่างเราเห็นเลยอากาศเนี่ยนะเออมันก็มีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันคืนยังเงียบเียบอยู่เลยรุ่งเช้านะสักตี3ก่อนตีสามเสร็ จ, รจนะมาแล้วลมพายุพัดมาฝนตามมานะจากฝนแรงก็ค่อยลงนะตรงเนี้ยนะก็เหมือนกับอารมณ์เราะรนะตื่นเช้ามาเรารู้สึกเออสบายๆนะ ปร่งๆล่งๆนะหลังจากที่เราหลับนอนมาเต็มที่นะเราก็มาร่วมไหวพระสวดมนต์นะมีจิตใจที่เบิกบานตื่นรู้นะหรือถ้ายัางงวงเงียอยู่นะอันนี้ก็เป็นอาการของสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องอาศัยการสังเกตนะเราจเจนเลยว่า อารมณ์เนี่ยมันก็มีการแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล า, ล า, ลาถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันหรือไม่เห็นมันเนี่ยเราก็จะไปยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจหูมันหนาวไปมันเย็นไปมันร้อนไปนะ้ำฝนตกเชื้แชะไม่ชอบใจนะอันนี้เรียกว่าไป เ, าเรียกว่าไปไปยุ่งกับมันนะไปยุ่งกับธรรมชาติ ไปอยากจะให้ธรรมชาติมันเป็นไปอย่างใจเราธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นน่ะอารมณ์ต่างๆก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแปรปวนแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเราจะไปคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละเป็นตัวการสาคัญเป็นตัวการสาคัญเป็นตัวบงการเลย นาที่ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์เพราะนั้นตัวที่จะมาให้รู้เท่าตันความคิดก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นเองนาหรือสติสัมปชาัญญะนั่นเองตัวเนี้ยนาจะมาคอยดูแลความคิดนคอยปกป้องนาจิตใจของเรานาไม่ให้หลงจมนไปกับความคิดหรืออารมณ์ต่างๆนซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเครื่องป้องกันสำคัญเหมือนกับเรามี หลังคามุงบังนะไม่ฝนตกนะมาถูกต้องตัวเราหรือว่ามีร่มนะที่กนันฝะนตรงนี้เพราะนั้นสติปัญญาสติสัมปชัญญนะเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะ ป, ป้องกันจิตใจของเรานะไม่ให้อารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีความโลภความโกรธความหลงต่างๆเข้ามากระทบกระเทือนนะมาทำให้จิตใจของเราเสียความเป็นปกติ นะความปกติก็คือใจมันปกติเฉยๆนะคํคำว่าปกติเฉยๆนี่มันรู้อยู่นะไม่เฉยแบบซึบื้ อ, อไม่รู้เรื่องรู้ลาวนะเฉยแบบรู้นะแล้วก็รู้ด้วยว่าควรจะทำอะไรสิ่งที่ควรจะทำอยู่เฉพาะหน้าคืออะไรนะก็ทำไปตามความอพอเหมาะพอดีนะตามเหตุปัจจัยนะไม่ได้ไปตามที่เรา คาดคิดคาดคะเนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นว่าเป็นจะเป็นอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของนะดำเนินไปได้ด้วยดีนะเรียกว่ามีความสุขนะกับการดำเนินชีวิตไปแต่ละขณะแต่ละขณะนะดำเนินชีวิตไปด้วยสติสัมปชัญญะนะเป็นชีวิตที่ไปได้เรื่อยๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราได้ฝึกฝน นะสติปัญญาสติสัมปชัญญะที่มีดูตามสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์หรือความคิดต่างราจฉะนันนะจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกฝนอบรมนะให้สติให้ปัญญาหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีความฉับไวมีความว่องไวนะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่าง นะตรงนี้ถ้าเรารู้เท่ารัฐทันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลงไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมตัวนะไปกับอารมณ์ต่างๆนะที่มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะแม้แต่สิ่งภายนอกนะจะเป็นเงินทองข้าวของคนที่ใกล้ชิดเราญาติสนิทมิตรสหายเนี่ย ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางทีนะอยู่กับเราดีๆบางทีก็อาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าเสียชีวิตนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันนะที่เรารักเราหวงแหนเนี่ยนะถึงเวลามันก็ต้องจากเราไปนะบางทีมันก็สูญหายไปบ้างนะถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้้ดีเนี่ยเราก็จะเสียใจนะเราก็จะต้องเสียดาย นะแล้วเราก็จะเป็นทุกขนะ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสําคัญที่เราควรจะทำํำนะให้มันต่อเนื่องต่อไปการที่เราได้มาอยู่ในช่วงเข้าบรรษานะตั้งแต่ต้นพรรษานะอีกไม่กี่วันนะถ้านับวันนี้ไปจนถึงวันออกพรรษาก็อีกประมาณสัก26วันถ้านับถึงวันมีพิธีกรถิน นะก็ประมาณเกือบเดือนนะซึ่งเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไม่นานนักหรอกนาะเรียกว่าช่วงนี้นาะเรียกว่านับถอยหลังได้เลยนะเดี๋ยวจะเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไดา้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะเป็นการร่วมกันนะที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะชีวิตของตัวเราเองอันนี้เป็นงานหลักนะเป็นหน้าที่หลักเลยนะของการที่เรามาอยู่ วัดอยู่วาจะเป็นพระกะด็ดีเป็นแม่ชีกด็ดีเป็นญาติโยมกด็ดีนะเรามาที่นี่เนี่ยเรามาเพื่อศึกษามาเพื่อฝึกฝนอบรมนะ่ะฝึกฝนอบรมอะไรฝึกฝนอบรมเรื่องของกายเรื่องของใจนะ่ะกายของกายใจของเราเนี่ยนะ่ะมันก็เป็นปกติอยู่นะ่ะที่มันไม่ปกติเพราะบางทีเราลืมเราหลงนะ่ะเราลืมเราหลง เราหลงไปในความสุขบ้างหนะลงไปในความทุกข์บ้างนะเรียกว่ามันไม่เข้าสู่ความเป็นปกตินะมันหลงความเป็นปกติของใจไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจำเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเราเองช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบน่าจะสองเดือนกว่าหลายคนนะก็มีความต้องอกตั้งใจนะในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้ตัวเราเอง นะทำด้วยตัวเองบ้างทำเป็นหมู่บ้างนะชักชวนเพื่อนฝูงมาปฏิบัตนะิมาทำร่วมกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมตนาและก็คงจะมีผลอยู่บ้างนะอย่าง น, น้อยก็ได้ติดเนื้อติดตัวไปนะโดยเฉพาะยางยิ่งนะคนที่อาจจะมาบวชแค่ช่วงเข้าพรรษาหรือญาติโยมที่มาสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ดีนะ เมื่อเราได้ฝึกฝนได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งเหล่านี้คงจะติดเนื้อติดตัวไปบ้างละ่ะไม่มากก็น้อยนะแต่อย่างไรก็ตามนะการฝึกฝนการเรียนรู้การเจริญสติเนี่ยนะย้ายเพียงแค่เรามาอยู่วัดเรามาฝึกฝึกเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจัง3วัน5วัน7วันแนะหรือช่วงเขาพรรษาแลนะเกวันแต่พอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิม นะปล่อยชีวิตเหมือนเดิมนะไม่ได้ฝึกฝนต่อไม่ได้ทำต่อนะก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานชั่วคราวนะเป็นการเจริญสติชั่วคราวเท่านั้นเองกลับไปอยู่ที่บ้านไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องนะตรงนี้มันก็ทำให้บางทีเนี่ยนะมันก็เกิดช่องว่างเกิดช่องโหว่ขึ้นมานะที่อารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีความทุกข์ก็ดีมันจะเข้ามา แทรกแซงเขาเ้าไปในจิตในใจของเราได้เพราะว่าเครื่องป้องกันเนี่ยนามันอ่อนซะละมันสลายไปซะละมันหายไปซะละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการฝึกฝนอบรมเนี่ยนเราควรจะทำให้มันต่อเนื่องให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนาของชีวิตเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกอันหนึ่งของชีวิตเราให้อาหารกายเนี่ยวันละสามมือสี่มือ ถ้าเราอยู่วัดก็มือหรือสองมือเท่านั้นแหละแต่เราให้อาหารใจนะคือความรู้สึกตัวเนี่ยวันละกี่ครั้งอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบนะเรามีเรื่องสำคัญมากมายที่จะต้องทำจะเป็นการงานก็ดีครอบครัวก็ดีการศึกษาเพิ่มเติมก็ดีนะสิ่งต่างๆ่าลเนี่ก็เป็นสิ่งสาคัญที่เราจะต้องทาแต่อย่าลืม นะ่าอย่าลืมที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะเรื่อการรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยนะ่าเป็นสิ่งสำคัญอีกกั น, นึงนะที่เราน่าจะต้องเติมเข้าไปให้กับชีวิตเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่กายอย่างเดียวมันมีจิตมีใจด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องให้อาหารใจให้อาหารกายไม่พอนะต้องให้อาหารใจด้วยบางครั้งเนี่ยกายมันอิ่มนะแต่ใจมันไม่อิ่ม มันรู้สึกห่วยหานะรู้สึกว่ามันขาดมันพร่องมันไม่อิ่มไม่เต็มสักทีนะตรงเนี้ก็เพราะว่าเราขาดนะขาดอาหารใจนั่นเองอาหารใจที่จะทําให้เราอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นอาหารใจที่สําคัญเรามาที่นี่มาที่วัดป่าสุกโตได้มาฝึกฝนได้มาเรียนรู้ นะอาหารใจนะแม้ว่าจะเห็นหรือได้สัมผัสเพียงเล็กๆน้อยๆนะก็ยังดนะีแต่ว่าเมื่อกลับไปแล้วนะก็ให้เอาไปกระทำให้ต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะตรงนี้มันจะทำให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์สมบูรณ์ท้งกายสมบูรณ์ท้งใจแล้วก็จิตใจของเราก็จะมีเครื่องป้องกันเครื่องมุงบังไนะม่ให้กิเลส นะตันหาอุปทานเนี่ยเข้ามาครอบงำไดนะ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะจะเป็น2ี่สวันก็ตามสองวันสมวันก็ตามเวลาว่างที่เหลืออยู่เนี่ยนะอยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราเนี่ยนะให้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะเรื่องอื่นๆ นะการสนทนาการการสวนเสียนะก็เอาไว้เอาไว้เป็นส่วนลองนะอย่าเป็นเรื่องหลักนะหลายคนจะเตรียมตัวและนะเรียกว่านับถอยหลังและนะก็สวนเสียกันคลุกคลีกันนะสนทนาปราศัยกันแทนที่เราจะเวลาเนี่ยนะไปเดินจงกรมสร้างจังหวะนะทำจิต ทำสิ่งที่เป็นประโยชนนะ์ในการที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนีนะ้จะทำให้เราได้รับประโยชน์เวลาที่เหลือเนี่ยว่าจะเป็นเวลาที่มีค่าไม่ใช่ให้มันศูนย์เปล่าไปนะโดยเปล่าประโยชนนะ์ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะได้นําไปพิจารณานะได้ไปใกล้ครวนนะแล้วก็ลองดูนะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนท่าน พูดเอาไว้มันจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าการเจริญสติแบบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยภายใน3ปีอันนี้หลวงพ่อเทียนท่านพูดนะภายใน3ปีอย่างช้าอย่างกลางภายใน1ปีอย่างเร็วที่สุด1วันถึง30วันนะท่านว่าทุกมันจะลดลงจริงหรือเปล่านะคำพูดเนี่ยไม่จริงมะนะเราลองมาพิสูจน์ดู นะพิสูจน์ด้วยการกระทำพิสูจน์ด้วยการทำให้มันต่อเนื่องเวลาว่างที่เหลือเนี่ยนะเราทุ่มให้เลยกับเรื่องพวกนี้ลองดูสิมันจะเป็นจริงไหมสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะบางทีเราเชื่อไปเพราะเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะนะแล้วมันอาจจะเจือจางไปก็ได้นะแต่ถ้าเรากระทำลงไปนะมันได้ผลขึ้นมาเนี่ยเออมันจริงเลยมันติดเนื้อติดตัว ความศรัทธาที่มีเนี่ยมันจะเป็นความศรัทธาที่ตั้งมัน่นเราศรัทธาเพราะได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันก็ลืมเลือนไปได้แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันจะจําฝังใจเลยนะมันจะไม่ลืมเลยนะแม้ว่าจะศึกออกไปก็ตามวิจักลับไปบ้านไปเรียนก็ตามมันก็ติดเนื้อติดตัวไปและอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีเครื่องมือนะเครื่องมือในการคลุ้มครองใจของเรานะไม่ให้ กิเล่ตันหาประทานมันมากระทบกระเทือนนะฮทำให้เรามีชีวิตนะที่เป็นปกติสุขนะมีความสุขเกษมสารนะที่เราสามารถสัมผัสได้นะแล้วก็รับรู้ได้เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปวิ่งหานะไม่ต้องไปแสวงหานะจากข้างนอกนะมากจนเกินไปนะชีวิตของเราก็จะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสน ไข่คว้าหาความสุขนะจากวัตถุจากบุคคลมากจนเกินไปนะเขาบอกคนที่ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วเนี่ยนะก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะจะเรียกร้องจากคนอื่นน้อยลงนะจะเรียกร้องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆน้อยลงนะจะมีชีวิตที่อยู่ด้วยตัวเองพึ่งตัวเองมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พึ่งคนอื่นเลย เราก็พึ่งอยู่ในเะท่าที่สมควรนะแต่จะไม่รบกวนมากจนเกินไปนะซึ่งอันเนี้ยนะเป็นชีวิตที่เป็นอิสระนะเป็นชีวิตที่มีหลักนะเป็นชีวิตที่มีที่พึ่งนะตรงเนี้ยจะช่วยทำให้เรานะสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้นะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญแน่นอน แตถ้าเราได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยอมรับมันยอมรับการยอมรับการไม่ไปฝ่าฝืนนะการไม่ไปดิ้นทุรนทุรายนั่นก็คือการที่หลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนะความตายเนี่ยมันต้องมาแน่นอนความแก่ก็ต้องมาแน่นอนแต่เราก็ไม่ไม่วิตกบตางบนกับมันเราไม่ทุกข์กับมันเรายอมรับมัน นเะมื่อถึงเวลานะที่เราจะต้องตายเราก็พร้อมนะที่จะบันเิญกับสิ่งเหล่านี้นะซึ่งถ้าเราได้ฝึกฝนหัดปล่อยหัดวางไว้ตั้งแต่วันนี้เมื่อถึงเวลานั้นนะมันก็คงจะไม่ลําบากนักนะตายนะด้วยความสงบนะตายอย่างปล่อยวางนะซึ่งหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนก็ดี ท่านก็แสดงไว้ให้เราดูแล้วแล้วนะถ้าเราย้อนหลังไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้ให้เราดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้นะ่ไม่เหลือวิสัยแม้แต่อาจารย์กําพลนะ่ทองบุญนุ่มนะก็แสดงให้เราดูถ้าใครได้ดูยนะูทูบที่เขาได้บันทึกเอาไว้นะคนที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางออกจากความทุกข์ได้ ออกจากอารมณ์ได้ออกจากความคิดตรงแต่งได้นั่นแหละนะับเป็นหลักประกันนะว่าให้เราเนี่ยพร้อมในะที่เผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในก็ตามเราก็จะวางใจได้เราก็จะทำใจได้และเราใจเราก็จะเป็นสุขนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรกระทาขณะที่เรายังมีเรี่ยวมีแรง ยังเข้มแข็งอยู่อย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยวันที่เราเจ็บป่วยวันที่เราใกล้จะตายแล้วเราค่อยมาคิดถึงเรื่องนี้มันช้าไปแล้วเขาบอกเปรียบเทียบเหมือนกับคนไม่เคยหัดว่ายน้ํานะนั่งเรือไปเรือมันจะล่มว่ายน้ําไม่เป็นจม น, น้ําแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราอย่าได้เสียเวลาเลยนะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ย ที่มีไม่มากนักในะในการที่จะมาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะให้รู้จักการปล่อยการวางนะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะได้สุขความสุขเกษมสารได้ลิ้มรสนะความสุขที่เป็นความเป็นปกติของใจอยู่เรื่อยๆนะรอเลี้ยงให้เราเนี่ยมีชีวิตนะมีจิตมีใจนะที่เต็มอิ่ม อิ่ม อ, อกอิ่มใจนั่นเองนานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นาอาะอะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเราคุณของพระศีรัรตนะไทรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสิสัมปจัญญะที่อยู่ในตัวเราพระธรรมคือจะทำความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในและภายนอกพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติ นะของเราด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาสิ่งเหล่านีนะ้ขอให้เป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นเรื่องหน้าในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากาันเทิมเจริญพร